พรธรรมเทศนาแผ่นที่107ลําดลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดบุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าปัญญาดีปัญญาเลวคณะธรรมายโจมเนียงพ่อจะให้แจกถุงนะ ถุงนี่ถุงเล็กๆถุงสําหรับใส่เงินเหรียญนะแต่ต้องพอไว้ใช้โทรศัพท์ได้ใส่เงินเหรียญมานี่เอาหมวดแจกผู้ใดได้แล้วมาเคลื่อนายาอ่านะผู้ใดได้แล้วยาอานตอนมันทีบอกรบกันเคลื่อนแจกรอบนึงเลยแจกปูม้าสามาท่านสินแต่มันเหลือบันนี้มาเนี่แจกสําหรับผู้ที่มาเงี้ยเหมือนเสาถุงนี่สำหรับผู้ใดถุงแล้วถุงไปเลยนี่แจกแต่แจกนี่ไป ขันผู้ได้เพิ่นยกมืดเน่ยจะไปให้เพิ่ น, นเมื่อคืนหรเพิ่นหายแล้วเบิ้งขนาคนวัดคุว่าจะไปให้เพิ่นก็ระถุงระถุงนะถุงผ้ามาจากลพบุรีเพิ่นเนะียโยมโสมคุณโสมฉเหลาวเพิ่นเคยตัดถุงมาให้ให้เห่าแต่ละปีเพิเ่นมีลานตัดผ้าลานเย็บผ้า วัดในพวกผาที่มันพอจะเป็นอย่างไดมันตัตัดตัดสมายหลวงพ่อหลวงพ่อด้ยมากแจกงาแจกโยมเลยหาใส่ผู้เดียวปเปไ่ามันหลายโพดวน <c oughs> อไปหลวงพ่อด้อย่างมากแจกได้แจกเงาแจกโยมลวไปกันพแจกผู้ใดแล้วในวัดหลวงพ่อไม่งูเหลือมหลายวนออกไปคณะวางูเหลือมเกี่ยวหลวงพอ่อในที่ไหนบ้านนี มาซอยกูได้โซ้ ย, บ, ออ ย, ยบ่ซอยหอกม่ยังไม่ตกีทีบ่จะแจกมูเดก่อนวันให้งูเหลือมกินซากว่า่เดวันพราะน่ะหลวงพ่อเนียังม้านหลวงพ่อต้องแจกคนออกไปแจกมูแจกเพื่อนมาหางูเหลือมเกี่ยวมูจะได้ซอยตัวดดกันผู้ใดกีทีผูดเดงูเหลือมองูเหลือมงูเหลือมเกี่ยวแ้่บ่มีผูดด้ใดซอยเด้มันไม่เนท่านตั ท่านสองเขียวไปน้ำกันคนบันนอกไปพวหนึ่งผดลืมห่อเข่าพวหนึ่งปัไหาห่อเข่าไปสําหรับคนคนเดียวไปพวหนึ่งบบมีบะมีลืมห่อเข่าบัานไปในป่าเน่ยไปหาเครือเขาทาวนว่นมาจะเห็ดเป็นเสือกเสือกเห็ดหน้าไปเขาบะพี่ลงงานปบปบมาลีลาคือนคู่มือได็ดเลยบะมีคือเสือกในหล่อนขึ้จะกคู่มือเลย แล้วเขาจะเห็ดหน้าเขาถังขอดไปในป่าไปหาเครือเขาที่มันเหนียวเนียวมันมันว่าไปเขามาก็มาฝันเป็นเชือกเพราะได้เข้าไปบ้านในบ้านในเป็นไอหนึ่งหมดลืมหมดเ่ยลืมห่อเข่านะไพอไปหอดย่มกินเข่าบ้าโอ้ยกูลืมห่อเข่าจะเนี่ยไหวกันเมื่อลืมก็ไปกินแล้วจะเมืงอลืมจะเนี่ย บางทีไปน้ากันสองคนมันอาจจะแบ่งเคิงกันวัออกไปมดนี่มึงหิวอไปบ้านไบ่หายอิริวันไปในขีทีวัไปบางทีมันจะแบ่งกันให้กินน้ากันวันเน่ไปน้ากันก็เราคนเดียกินคํานอะโอ้นี่มันแสบไปไอ้หนึ่งโอ้กูกูขอกินนะมึงแนห่อยอ่าบ่หาอวันไปเอามากินผู้เดียวมดเพราะมันหรับอาหารขอเขาผู้เดียวเ บาดอะก็หมอเ น, นียกัญชาน้ากลนแล้วมันเมยได้ไอพนกินเข า, ขากัญชากรนไปาหายองก่อนเนี่ยงูเหลี่ยงงูเหลี่ยกัดบาดเดยงูเหลี่ยงเกี่ยวนงไปไอซอยกูแรมึงว่า่นี่ยไอนี่ไหวขั้นมากูซอยมึงมึงจะให้กูไหลไปในงูเหลี่ยมว่าแต่เนี่ยมรจมจามากี่ทีเลยกูจะให้ขามึงขั้นมึง ซอกูกูจะให้ค่าหางตันมนันหัวเกือบหางสุดมัไปงูเหลือมมันมีจังแต่สดือลงมาหาหางนี่เป็นหัวละกูจะให้ค่าค่าหางสุดมันวัานั้นหม่มอไอ้โมนี่ก็บบซอยแล้วนนันนั้นไปบอลนี่ช่วยก็เลยกูเหลือมก็เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเอาไปเลยตายสั่มวันน้นไปบอซอยว่นนั้นไปเพราะมันขีดทีเดียวว่นนั้นไปคำนันกูไปซอยมันกูจะ้เลยมัดทั้งตัวตัวแนตะ่เอาไปมากเพราะมันเกี่ยวค้นตายเลย มีดเขาไปแย่มข้องูเหลือมมันออกไปมันก็หิวเขาหนวไปมันก็มาตัดแล้วก็มาดยางงูเหลือมกินซะ ก, ก่อนหนวดไปยังคอยยางกลับบ้านหนว <c oughs> <c oughs> ่าพวกเขาว่าผู้ใดผู้ใ ด, ดเรี้ยวเขากันสองเซียวหนะวดไปผู้หนึ่งกี่ที่ผู้หนกินเขาผู้หนึ่งให้งูเหลือมเกี่ยวจนมูตายซะ ก, ก่อนนวไปยังคอยมาข่างูกินงูซะ ก, ก่อนยังคอยกับบ้านมันหิวหลายวนวไป กัวเขาคิดมันด้วยสองเสียวหนะ่พได้เลี้ยวกว่ากันบั้นเนี้ยเข้าว่าเขาว่าหมอหลังนี้ใจดํากว่าเลี้ยวกว่าไปขนาดงูเหลือมเกี่ยวอมูแต่แท่จุดจตายแต่แทพูดหนึ่งพูดหนึงหิวมันวัวบ่ห้กินหิวลงไปก็ยังไข้ ย, ยุหิวลงไปมันพอตายลงไปอแต่บักนี่บักที่หลังนี่ที่ให้หมูตายจะก่อนนะ้องคอยยังค่อยขางูลงไปเข้าว่าบักหลังนี่เสียวเสียวบักบักหลังนี้ เล้วก็บก้อนว่าบปกก้อนน่อกี่ทีซีวน่งไมบแบงโมวัน่งไปบักหลังน่จะให้มูตายเต่านยังยังคอยยังคอยแบงวันน่งไปยังคอยยังคอยซอยยังคอยขางูวน่งไปเพราะนั้นหลวงพ่อได้ยังว่าหลวงพ่อจึงแจกยังแบงเลูกหลานเลยฟังไว้นะพาเน่งลูกหลานจะไปหายกี่ทีก้นกี่ทีบนมีมูได้ ได้ยังมากไม่แต่โภให้เจ้าของบ่มีมู่ตัวลงตามหาบัว้นกันลงผู้หลาขึา้ น, นกักคนค้นขี่โกดค้นขี่โกดยังคบใดใไหถ้าค้นขี่โลบค้นขี่ทีนะี่คบบ่อใดเสนว่าอยู่น้ำกันบ่อดข ค, นคนปป้ น, น, นขีทีก็ค้นขี่โลบเพราะฉะนั้นขี่ทีกับขี่โลบมันไปน้ำกันเดพอมันโลบ้นมากเลยก็บขี่ทีเอานะไปว่าย่อแบ่งปันผู้อื่น ลงปูหลากลงตามหาบัวหนึ่งเปนว่ า, บาคบวไรค้นขีโกรดมีใจใย่ยมโกรดโกร้ให้หมูนะี่แต่ว่าแยมแบง่งแบงรู้จักแบ่งปันให้หมูให้เพื่อนอแบ่งปันใน ส, สารสุขแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวนะ ห, หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นปวกเข้านะศรัทธาญาติโยมผาเน่นลูกหลานมีอย่างพอจะแบ่งเฉลือเพื่อแพร่ได้ก็เฉลือเพือแพร่อันมีตะกี้ตะนีทีเหนียวพอจักแบ่งไผเส่เลยเลยนะี่ยบานห้างงูเหลือมเกี่ยวนาะงูเหลือมพันนะงูเหลือมพันงูเหลือมเกี่ยวว่ามีปุถุยซอยเลยบอกว่าแต่งูเหลือมนะตกถูกได้ยากมากขึ้นกันนะ่ะ มีอย่างมีปัญหาเกิดขึ้นข้าวนี้ตาข่าข้าวหน้าตาเองกับมีเทว์ตาเองเขาก็ต้องซอยเขาอีกสักมือนึ่งอาจจะเป็นตาข่าก็ได้เพราะนั้นต้องซอยกันเบิงกันการยูด้วยกันตาหูจักซอยเหลือเจือจานกันหูจักแบ่งปันกันยูนํกนากันมากไม้ ก, กับลมเย็นเป็นจุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพีนอง พี่พน้องนองใ ก, ใกล้กันตระกูลเดียวกันพ่อแม่เดียวกันวงสาคานาญาตอยู่ใกล้กันมีอย่างหูวจักแบงหัวจักปัน่นดีเลยขนาดพี่น้องเอน่าท้องแม่เดียวกันยันหัวกันออกมากการมอดรดสิ้นหน่อ ย, อยๆก็บแบงกันกับว่าเป็นกันผู้ใดๆกับหัจักเบิงพี่เบิงน้อง หวงใส่หวงกินแต่ผู้เดียวอยากได้แต่ผู้เดียวผิดผีผิดน้องสิขาฟันลั้นแทงกันอีกต่างหากบ่เผาผีจีกระดูกกันอีกต่างหากในปีนองซองทองเดียวกันใหญ่มานงมกนรหุจักอยู่ทั่วอันไหนแบงแบงกันไปยังไหนเฉลือเพื่อแพรกันไปยังไงบ่แมนทีเจ้าของเอาผู้เดียวบ่ให้ผู้อื่นเลยทังที่เป็นพร พอแม่เดียวกันมันมีเลยโอบ ก, กันเลยขันความโอบก็มานะมันบ่เห็นไผ่นะความโอบกุมามันบ่เห็นไผ่เห็นแต่เจ้าของอบัตรหางูอเหลือมเกี่ยวจะไปหาซอยผัวจังสันนะพัวเข้านะเมื่อเนอี่เป็นวันอังค่านที่หนึ่งเป็นวันที่หนึงนะีเมื่อเนี่นะลูกหลานนะสิงหาคม พุทธศักราช25งพันหาอยหกสบหมู่ว่านเป็นวันผากแต่หลวงพอบ่ได้ลงมากเนี่ยหมู่ว่านเนี่ยเนี่ยมาเคลื่อนนะหลวงพออ่อรู้สึกว่ามันวิววิวอย่างไหนพออายุหลวงพ่อแก่ได้แล้วลูกหลานเนี่ยเห็ุคือตะกรนบวได้ตล่อนตอน่อนบได้นนะต้องเบิ่งอายุสังขารเบิ่งถาดเบิบ่งขันของเจ้าของมันก็เป็นบางมือเกันนะบางมือมันเออผมมีปัญหา มันจะเกี่ยวกับอิหยั่งกรบโปงหูดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับทุกอย่างนั่นแนหะมันมันแก่พอมันแก่มันเป็นไปได้มัดทุกอย่างนะวันเมื่อวานหลวงพ่อเขาประด็ลงม า, านี่จะถามศรัทธาญาติโยมว่าเป็นไหนผู้ที่มารักษาศีลมาสามัมมาทาัณฑศีลไหวพระหลายยุบวลาถาม โยมเ่าแกถามกูบากับข้าวกรอ้ะกับข้าวกรอขาดไปประมาณ 3-4 คนโอ้ก็มามากอยู่หัวลอยกว่ า, วาคอนอยู่เนี่นั่นแหละลอยกว่าผู้ที่มาไหวพระสมณะทานศีลรักษาศีลอุโบสถอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ผู้เข้าคณะสัตยาติโยมมาฝึกไหวนะเรื่องสมาธินะ สมาธิปัญญาที่ไม่ไมีหลายขันตอนมือคือหนึ่งก็ถามหลวงพ่อก็ถามเปิดเอ็มพี่สามยังให้ชัทฐาญาติโยมฟังได้ละ่ะอ่ับคูบาก็บอกว่าเปิดเอ็มพี่สามที่หลวงพอ่ออบรมเรื่องสมาธิเยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิในการปฏิปฏปฏบัติเออดีละพอว่าพวกเฮาเขามาสู้วัดยังเหมือเเสาหลวงพ่อก็ะบอกเรื่อง ความผอมเพียงความสมัครี่แนวความคิดาการดําเนินชีวิตการอยู่ด้วยกันแต่ น, นานานาหลวงพอ่อได้บอกเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องสมาธิพอมันพอบทการเวลามันอมพอผอมยังมเป็นเศร้าจังซีแหละนะอพอลูกหลานมาหลายขู่หลายข้นมาหลายระดับเทาก็ต้องบอกระดับนึงการแย่มาคื่นมาเป็นวันพระจังสันนะกระพริบ อกผอมใจผอมจิต้อมใจกันที่มาไหวพระแล้วก็สามารถนั่งภาวนาแหละทอ่พอมันเขาย่ในระดับระดับสูงขึ้นวนไปวันหนึ่ลไว้เล่าเปิดเทปเปิดเอ็มีสามก็ต้องพูดเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญานะสำหรับผูปฏิบัตินั่นแหละอันนี้เขาก็ต้องผูที่จะให้ธรรมะเนี่ยก็ต้องคิดคือกันไนดะ้ลูกหลานไนดะ้ กอการกัดเด็กหน่อยเกิดมาใหม่กันอาวันเด็กหน่อยเกิดมาใหม่เหเห็นว่ามันหิวห่จปปอนอกระดูกหมูกระดูกสัตว์แต่มันเด็กหน่อยกินมันอก็้กินบะได้แล้วไปติดข้อตายเอาต้องเอาข้อต้มเอาเข้ออ่อนข้อบดให้เขาให้เด็กหน่อยกิน เพื่อมันยังนอ ย, อยู่ขันาว่ามันใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจะไปหากิ่นในสันมันกระบาดมันมันมันบระยุทธองเขาก็ต้องหาอาหารนักนี่ไงนี่คือกันนะนะผู้ที่เขามาาไม่อย่างลูกหลานเขามาาไม่อย่างมือนีแหละหลวงพ่อก็บอกกาวเนี่ยความคิดให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังในการอยู่โดยการมีความพร้อมเพียงสมัครี่กันหน้ามีชาดก มีเรื่องในท่านปลํำปล่าอย่างตรงพอบอห้ฟังเมื่อกี้นี่นะอยู่กันดูด้วยกันมันต้องมีการเสียสละมีนำใจต่อกันมีการเสียสละแบ่งปันกันอย่าไปขี่ทีขีดเหนียวจนเกินไปกั น, นก้นขี่ทีขีดเหนียวมันบ่มีพีมีนองได้บ่มีว่งสาขันายาดไผ่กบวยคบคาบวยขบคาสมาคมนน้ำ เพรเหตุใดเพราะคนกี่ทีบาดาลอยากเอาของเขาเอาใดใ้เห็นของเขากระโดดใจอยากได้ของเขาบาดาของเจ้าของเนี่ยไ่ยอมแบ่งปันให้ผู้ใดนี่แห ล, ะ ค, ละคนขี่โลเพราคนกี่ทีเนี่อมันอยู่ใกล้กันมันอันเดียวกันเพราะนั้นเองการที่เขามาสู้วัดว่าศาสนาอย่างหลวงพอ่อในหลวงพ่อกับเบิงก่อนเลย ้จีบอวียังให้ผวกหลูกพวกล้านได้ฟังเนี่ยหมือนสาเมือนอนี่การเทศอบรมย้ำผ่อนขึ้นกันให้อบ่มหน้าเอาเทศเปิดเทปให้ฟังพอลงพอว่ามีหลายระดับในเอ็มสก่อนที่จะเปิดให้ฟังกับพวกเข้าฟังซะกอนเป็นเบื้องต้นฟังแล้วก็กันคัดคัดคัดคัดัดคัดไว้กากากาไว้ อว่าทาแล้วคนยังคอยเปิดให้ชัท่ายาดย่อมฟั่งนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่เขาม้าเนี่ยก็คือเรื่องเป็นผู้มิสินอยู่แล้วนะผูกเขาเป็นผู้มิศินอยู่แล้วที่จะมาเปิดสมาทานศินอยู่แล้วสินหาสินแปดไปเนี้ก็มาเริ่มเรื่องภาวนานะเรื่องการภาวนาเนี่ย หลวงพ่อก็บอกว่าสมาธิการที่จะทำจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่ยเหตุอย่างไรกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยแนวกรรมฐานของหลวงปูมันถ้าวันจิตใจเ ข, าเข้าเป็นสมาธิดีเข้าเหตุอย่างกับเป็นชินเป็นอันได้สมาธิเนี่ยใส่ได้ได้หลายอย่างได้ พจนธิมาสมาธิดีเหยนหนังสือกระเกงเหยนหนังสือก็ะไรจะทําการทํางานนี่ก็ตามคนที่มีจิตใจที่เป็นสมาธิขับรถขับล่าหรือว่าทําการทํางานหรือว่าการพูดจ่าผ้าที่ก็ใช่ไปในทางโลกได้ไปว่าจิตใจที่เป็นสมาธินะถ้าจิตใจปุง๋งฟุ้งซ่านคือพิบา่าวันไปคนจิตใจแตก บอกยังคำว่าเป็นว่เป็นอย่างบอกถทาถึงต่ำไม่ถึงพอถึงต่าไม่ถหมดไปไปคนรระทิระทังอันนั้นแปลว่าจิตใจว่าเป็นสมาธินะแต่สมาธิมันมีหลายระดับคือกันสมาธิในการคล้องฉีพในการเป็นอยู่ในการดําร่งฉีพในการศึกษาในการธรรมหาเลี่ยงฉีพมันก็มีสมาธิส์ขึ้นกันอันนี้ก็คือสมาธิการเป็นอยู่ของมนุษย์สมาธิขันที่สอง การทำให้จิตใจสงบขึ้นมากเกิดความรู้ขึ้นมาพิเศษกันกันกลอ่องไตรต่อให้พิเศษสมาธิที่สามจะเกิดจนเกิดในย่านย่านอาราธนาเกิดชาติเกิดมาไดเพราะจิตใจร่วมหนึ่งแหละจนความรู้พิเศษขึ้นมากเกิดย่า น, นาอาราธนาสมาธิที่ขันที่สี่เนี่ยใครครับ เมื่อจิตใจร่วมสงบแล้วนําจิตใจออกอันการความสงบนั้นนํามาพิจารณาบาัณฑ์เพราะมันเป็นหนึ่งแหละหนึ่งแนวหนึ่งล่ะนํามาพิจารณาเรื่องต่างๆกับเป็นชิน่นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นเล่าคืนมาใดานี่แหละอันนี้ก็คือสมาธิจิตใจต้องเน่งซะก่อนได้ตูกลานเลยจึงจะ พิจารณาอย่างจึงเป็นเรื่องเป็นราวต่อจิตใจล้วนแล่จิตใจผมมีสมาธิแล้วเออมันปุ๋งฟุ่งไปแล้วมันพึงบ่ได้นะจิตใจประเภทขังฉันทํามันปุ่งฟุ่งมากๆครับคนเป็นบาสนะไปแล้วคนขี่เมาลักษณะนั้นคนเมาคนบาสะคนขาดสตินี่สมาธิเนี่ยต้องมันจะมิต้องสติสก่อนเยจึงพอเป็นสมาธิได้นะ ถาวรคนผมมีสตินะมันเป็นสมาธิบอดใดอกมันสมาติสติสก่อนมา ก, ก่อนสติสัมปะชัญญาสก่อนเนี่ยคอยเป็นสมาธนะิและปัญญาคือกันป่ะนะี่ปัญญาก็ไม่หลายระดับคล้ากันปัญญาเอาตัวหลอดปัญญาหาการเรียนหนังสือปัญญาหาเลี่ยงชีพปัญญาคนที่บมมีปัญญามันเท็จอย่างบมเป็นเดีวบานนะี่ตัดผมวะนิพพาบว รู้น แ, แต่ใส่ปัญญาทั้งหมดคือกันสร้างใหม่ปลูกพักอ้อย่างท่ออ้ย่างมากไมเรื่องปัญญาแต่พอปัญญาที่เป็นที่พระพุทธเจ้ายกย่องจริงๆเนี่ยปัญญาสามารถ ท, ทีิเห็นตามความเป็นจริงเนี่แนะนำมาอีกได้ปปัญญาอันเลิศนะที่ว่าโล ก, กุตละปัญญาให้โล ก, กุตละปัญญา กคืคปัญญาที่จังไหนจะพ้นทุกนวิวรตะสงสารไม่เม่าเวียนไหยตายเกิดนะอันนี้แหละว่าปัญญาเลิศเห็นอันในจางทุกขังอนัตตาจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายบวยยึดมันถือมันตามแนวแถวของพุท ธ, ธะอันนี้ปัญญาเลิศนะแต่ปัญญาอื่นปัญญาสังหารผู้อืน่นโมเหตระเบิดโมเหตปืนโมเหตอาวุธก็ล้วนแล้วแต่ปัญญาทั้งมดัดอกัน แต่ปัญญาน่ยปัญญาสังหารปัญญาโลคเยาะปัญญาปัญญาทําไร่พอเหตุไปแล้วขาผู้อื่นตัวเองตกนรกตกตําไปอีกต่างหากปัญญาผาปัญญาผ้าซัวไปใส่ปัญญาแล้วก็ทำไร่ทําไร่ผู้อื่นอันนั้นปัญญาเสียหายแต่ว่าปัญญาจะมิจะทรงเสริมมิจะทาให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นทุกข์อยู่ด้วยกัน ด้วยสันติหาความสุขให้กันซึ่งกันและกันอันเนี่ยนะปัญญาสัมมาทิฏฐินะอันนั้นทำลายทำลายผู้อื่นนะเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิปัญญาปัญญาจะมีสองคือกันนะลูกหลา น, นเลยพนั้นขอให้พวกเขากันกล่องไตรตองให้ศึกษาในหลักธรรมข้ามสอนของปพปพุตธเจ้าพวกเข้าจะหู้จักว่าอันนนี้อันใดนเป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิ อันไหนเป็นปัญญาสัมมาทิฐนะิไทาวาพวกร้ได้ศึกษาเลาจหูได้เลยว่าเนะีสมาธิขึ้นกันมิจฉาสมาธิปัญญะสัมมาสม า, สมาทนะิสมมาธิที่ถูกต้องสัมมาทิที่เห็เหนพิษไงมันมีสองเกือบทังนั่นแหละท้าวเล่าเล่าเพีย น, น้าเบิ้งกรรมขึ้นกันกรรมก็มีสองกรรมดีกับกรรมชั่วนะกรรมดีคือยัง กรรมดีคือเป็นกุศลละกรรมเป็นบุญกรรมชั่วคืออย่างคือเป็นบาปอากุศลละกรรมคือเป็นบาปนะนะกรรมคือกรรมคื อ, คอเป็นสองคือกันพรนะใาหีพวกเฮาเลือกทำแตก่กรรมดีกรรมชั่วจะไปหาเฮ็ดในเดือนนี้เป็นเดือนที่หลวงพ่อจะได้ไปลงเลียงนัลูกหลานนะ วันที่แปดที่เก้าที่ปุ่นนะไปอำเภอสีบุญเรื่องบอกเขามาติดต่อตั้งแต่ก่อนเขาพันศานะอยากจะให้หลวงพ่อไปลงเลี่ยนเขาคือกันขาดตกปกพ่องเขาอยากจะได้รถบ่เ น, นี่ยหลวงพ่อเออเอ า, เอ า, เอ า, เอา่าได้ไปอำเภอหนองจังหวัดหนองบัวลำพูโดนแหลกเออเอาไปบางโน่นนี่แหละหลวงพ่อจะไปวันที่แปดที่เกนะ้า ปาปาโรงเรียนแล้วก็วันที่สิบเจ็ดโรงเรียน เ, เตรียมอุดมบ้านผือเนี่ย เ, เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนะี่บัณฑผือพิยาคมเนะี่เเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอุดมอุดมเองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเขานะอันนี้ก็จะทอดขอถอดผาป้ า, ปาจะทำโดม หองประชุมใหญ่ให้กับนักเียนนักเล่นบอกมีหองพองประชุม well. อหองอประชุมบอพอหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้าไหวบ่ละลูกหลานเนี่ยลูกหลานมากก่าเด็กเ็โรงเรียนอุดรพัฒนาการบอแถวบันจันเอ่อแล้วก็เมืองพันที่สิบแปดอีกเลหลวงพ่อคงจะไปหันตอกันเนี้ยสองมื่นสองสองหมื่ตอกันเลยลูกหลานเนี่สิบเจ็ดกับสิบแปด พอแล้วหันลงพ่อบุ่นไงบินแล้วได้บ้านี้พอออกจากอุดรพัฒนาการก็ บ, บินแล้วลงไปลงกรุงเทพปั้นเพราะลงกรุงเทพย่ยงมาแล้วอีด้บ้าเนเอพอไปฮอดพุ่นเหมือยางมาแล้งไอ้กลุ่มกลุ่มหนึ่งกองนิมนต์ลงพ่อไปเทศอีกบ้าเนเอ๋ก่อนที่เขาไปพักสวนแสงธรรมลงไปไป เขาในมตฑกต่กอนพอนะแต่แตะกอนขึ้นมา จ, จากกรุงเทพพอนะ น, อ น, น, นีมนฑลหลวงพ่อแสดงธรรมพราะมีกลุ่มปฏิบัติธรรมาอยู่กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งหลวงพอ่อโหจักมักคุณเขาผู้ที่มาในมณฑลเออคงจะไม่คงจะไหวอยู่มัง่งป่านนั่นแล้วก็จะมาพักอยู่สวนแสงธรรมญามมื่อเสาร์มาอีกบ่านะเจ้าของเจ้าของสวนแสงธรรมนะ คุณหมออาจารย์หมอทิพวัรกับคุณอพอบานของเพื่อนน่ยพลโทสกลทหารเรือทั้งสองตาใหญ่เนี่ยเป็นผู้มอบถวายที่ดินให้กับหลวงตาที่ถวายสวนเสียงถ้ำต้องสองแปลงแปลงฝากถนนคนละขฆังโอ้ที่ดินลายในะลูกหลานเะ้ยเออขัเนคุ ม, มือนะี้ขายหน่อย สำหรับผู้หนึ่งเนะี่กินหดมือตายก็บอกมื่อทนไปขายที่ดินสองแปลงเนี่ยไปแปลงหนึ่งสิบสองไร่แปลงหนึ่งสิบเก้าไร่แปลงสิบเกาไร่เนี่ยหลวงพ่อสาบมาวานลูกกระโน้มกะเท่งแดงบอกโอนโอนเป็นชื่อหลวงต า, วาเนี่ไปขนาดโอ่โอนชื่อจังสิบเกาล้านเนลูกล้านเนี่ยหลวงพอ่ออะไรเง้ยหลวงพ่อก็จิกหายหลังคือนไปปัดท้อ ๆ, ๆ, ๆ ขนาดโอดเนี่ยือยังสิบเก่าล้านเอี่เพราะว่ากิจ ด, ดินมันแพงเด้เขาเขาพูดตามตามที่ดินเด้นี่แหละหลวงพ่อจะได้เขาสองลูกหลานของเพิร์นเนี่ย น, นะหนีมน้อนทำบุญครบรอบสองตายายในสวนแสงธรรมหลวงพ่อจะได้ไปลุกไปหาอีกวันที่สิบสนะิบเก่านะสิบเก้าเสารนะ แล้ววันที่ยี่สิบก็เป็นจิตโภช น, นะนาภาคก็โปชนาพักกระติดลงพอค่้ยไปนะจัทธา ญ, ญาิโยมนะกนลายเป็นกลุ่มของโยมหลวงคุณหลวงนะพ่อแล้วจ้ากันก็บินกลับแล้ววันที่ยี่สิบไปวันที่ยี่สิบเอ็เนี่ยเป็นวันเขาประดับดิ น, บ, นบันนี้ลูกหลานนะอย่าลืมน ะ, ะเดือนเก่าดับนะวันเนี่วัน วันที่ยี่สิบเอ็ดบังบังนะบังที่หลวง พ, ออพอ่อจะวอดพิษวอดเถื่ออะไรหลวงพ่ออยู่เจ็ดสิบกว่าเลยอาจจะจําลืมก็ได้ให้ลูกหลานเบังอีกอเป็นวันข้าวประดับดินเดือนเก้าดับนี่แหละจะขึ้นมากจะวันเข้าประดับดินอีกลูกหลานนี่แหละหลวงพ่อเราให้ฟังสาธารณกิจของหลวงพ่อเนี่ยมากพอสมควร ถ้าจะว่าไปแล้วเกินกว่าที่หลวงพ่อจะเกินกว่าอายุของหลวงพ่อไปแต่โดยมากหลวงพ่อไปใส่ขึ้นกันเนี่ยโดยหมอกพิดโดยมากไม่จะไปหามากกว่าลูกหลานเลยยังไปลุงเลีย น, นเงี้ยในตอไแรกเออหลวงพ่ออ้าวสมทบก่อเนื้อลูกหลานนะเงินที่คดอมาถวายมากคารวะบังมาทําบุญทําท่านเนมือนเสาบังมาก ที่ต่างๆหลวงพ่อก็เก็บเก็บไว้พ่อจีซอยอย่างมันเกินเกินความจําเป็นในวัดของเฮาแล้วพอ่อวัดของเฮาพ่อเป็นพ่อไปแล้ววัดของเฮาเขาใบขาดตกปลกพ่องได้หลวงพ่อก็เบิงอยู่ถ้ามันจิดถ่วมปากถ่วมข้อมเกินไปนามจีนามจีถ่มถถวมพระเกินไปหลวงพ่อก็เป็นไปทั้งอื่นนี่คือการจะตุกปัจจัยพ่อเป็นไปได้วัดของเฮาพ่อเป็นไปได้ บ่ถึงกระเดือดล่อนแล้ะเป็นยูใดยังสมณะเวลาพาเน่นเจ็บขไข่ใดป่วยเพียงพ่อบ่เพียงพ่ออีกอย่างหนึ่งกระรัท่าญาติโยมของเฮาก็ไม่มากอยู่ที่พันพาลมากขนาดนั้ก็ว่าเลเดือดล่อนถ้าว่าทางอื่นมีความจำเป็นวัดอื่นมีความจำเป็นมากเฮากับแบงแบงปันแบงปันไป สรุปเลยเกิดขึนะ้นแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมอบริปนเด็กขายบริขายยาบายยามาได้มาโดยชอบธรรมมีผู้มาถวายแบ่งให้กับเพียสุสัมมาเนนสิ่งที่จําเป็นแบ่งให้แบง่แบงให้โลกแบ่งให้ช่วยลุงเลี้ยนลุงพยาบาลวัดว่าศาสนาพระเน้นมีความจําเป็นเจ็บไข้ได้ป่วย อังสันแล้วอันนี้คือแบ่งปราบได้ตนได้มากขั้นหัวงไว้โบจักแบ่งโบจักปันนะ่นมหางูเหลือมเกี่ยวกับพมิตรใดซอยอย่างที่หลวงพอว่อบอกในท่านเบื้งตนนะ่ะนะการอยู่นํากันมันต้องกว้างขวางต้องเบืง้งหลวงตามาหาบัวนะ่ะหลวงพ่อไปแต่งต่างสมพนันธสายนี่แหละสายกู้บาอาจารย์นี่แหละไฮไพร่หะหลวงตาทำไพรเป็นสมพนันธ์ องนั่นอง์นี้กรับผมฮะมันเป็นยังไดแล้ะสมพ่านนะมันต้องกว้างขวางนะสมพ่านขีตเนีทีเหนียวนะมันไปใส่บอลอดนะสมพ่านขีทีเนี่ยเข้าีนเมาะนั่นนะว่ได้เลือกว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่นะขั้นผู้ใหญ่ขึ้นกันขั้นขีทนะีมันไปใส่บอดลอดขีตเนีทีเหนียวเพรักแบงปันอไข่หมูไห้เพื่อนนะ่ะมันไปบอรอดแล้วคนขีทีมันคับแคบ ผู้ที่จะเป็นหัวหนา้าเป็นสมผ่านต้องคิดใจกว้างๆแต่เขาพ ม, มันจิตเฟ่จนโบว์จักสูงโบวจักเก็บโบวจักรักษาได้มากเท่าไรเกิดจนทําให้เสียหายเขบอ่อไรอีกก็ต้องเบิง่งนั่นแหละสรุปนลก็คือปัญหัวที่เป็นหัวหนา้าที่เป็นสมผ่านยต้องรอบขอบนะต้องรอบขอบต้องมีปัญญา เอาตัวหลอดแล้กวก็กว้างกว้างอัน้คนขีตานีทีเหนียวเป็นสมพันธบ่ไรนะอันนี้หลวงตาเพิ่นบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ฟังอยู่เนะพราะในเงี้ยหลวงพ่อมาสังเกตสังเกตบ ง, งมันแมนความเพลินอิลีเอ่อคันสมพานขีทีมันไปมันไปมันบอกกว้างบอกขวางหรอกขีตานีทีเหนียวนะ หลวงพ่อก็ทราบมาทางวัดปลาบัานตานะศรัทธาญาติโยมไว้พอได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยพกลกำลังสีเห็ดหงนามเดี๋ยวนี้นะคณะกรรมการที่จจัดงา น, นบอกว่าวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยวันงานหลวงตาเนี่ยกำลังสีเห็ดหงนามที่แบบเห็ดแบบโครงเล็กแต่สีเห็ดหัวนามแบบชักโครกนะ พอกู้เมื่อนี่พกนางยองยองมาโดยมากมีแตจะพูดเ่าผู้แก่โดยมากมาวัดปลนางมันกันนางยากก็ที่นางเป็นหัักโคกทั้งมัดหัวสักโคกลาดแต่เป็นโครงเล็กสังกสีตะกอนมันตรงสางพระเจดีย์เลยจงจางพระเจดีย์ตนตอกเสาเข็มนะที่พ2 5สอง้าสิาตน บริเวณนมันมีห้องนา้ามันบวชจักสักของเกือบตั้งสี่สิบผาสิบหองพูน่ะบาฮนเนเวลาค้นไปก็ได้ใส่ห้องนา้าบาทนเ้พ่อสีสางไปพิภัณฑ์ของหลวงตาเจดีหลวงตาจะหันเขาก็เลยลือพ่อลือออกไปเนี่ยก็เขาก็เอาแม่โคเนค่ขุดเอาออกมัดแพวกหัวสวมพวก ขุดออกไปในดินอีกต่างหากบอหิมีของปฏิกูลอยู่ในใตพระเจดีลงตาพระเจดีลงตาเป็นทีเข้ารลบกราบไหวสักกะระเลยผลเหตุละเอียดทีถวนประลัดนิคมเป็นผู้บงังอเมโคตักพวกขี่แห่งที่คนไปทายไปใสนะ่ใส่รถจิบห่อใส่รถจิบห่อไปเท่หมองเอิน บวให้คนเบาใจว่าโอยกลุ่มสวมที่ตรงนั้นละ่ะเออบัรากระเฮ็ดทับหลุมสวม เ, เจดีลงตาพิพิธภั้นลงตาเออวิหารของหลวงตาเนี่ยเฮ็ดทับหลุมสวมนั่นบอชไอ้ข้าว่าใดเอาไปกลือออกให้มัดแล้วก็ตักใส่รถจีบรอไปเท่หมองอื่น บัแล้วก็ขนดินจากของอื่นมาบดอัดลงไปอีกนี่แหละพนก็เหตุละเอียดทีถ่วนอยู่เลยบาตรเห็นเพื่อพ่อออกมาแล้วบัตนี่บัตมันก็มันก็บอพ่อใส่ได้่ยมันบอล้วค้นไปลายไปนะบัตรเนี้เพื่อเลยหลวงพอสุวใจกับคณะกรรมการเพื่็เลยสิเหตุสวมใหม่อีกประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองห่องมั้งที่หลวงพ่อได้ยินนะยี่สิบสองหองอ ห่องหล่ะหลวงพอบอหองลัศดว่าหอ่องรำมืนหนาจะอยู่ใดหลวงพ่อเพราะว่าได้เหตุละเอียดที่ถวนมากมีแต่โคงสังกษีนมันหนาจะเกินยางมากเพราะาจะเกินมืนหาแต่มืนหนึ่งเนี่กาชักมืนหนึ่งหนาจะอยู่ใดถ้ามืนหนึ่งมันก็แสนสองะนะเออสองแสนสองแสนสีนมีองห่อง สองเพนซีผูนะนั้นผู้ใดเด้าอย่างนเสียงลงพรานกะันผู้ใดอยากได้บุญนะไปติดต่อกับลงพรอสุดใจเอาพู้ละหองละหองก็ได้ทายทุกได้ปวดหัวมีทุกในใจนะทุกกายทุกใจทุกยั้งก็าตามมันออกไปเออห้ยผู้ขาดเป็นสถานที่ทายทุกหายยาห้ยผู้ขาเกิดมาพบได้ชาติใดยาหายผู้ขาทุกยากเด้อเออคือกันของคนปวดนักปวดเบานะมันทุกขนาดใด อมันทุกข์แท้ๆนะคนปวดนักปวดเบาว้านในมงเฮ็ดสวมใส่ทายทุกข์คือกันกับผู้ขามีทุกข์ในจิตในใจนักอกนักใจในเรื่องต่างๆอขอใหญ่ผู้ขานักอกนักใจคือกันกับคนที่ทายทุกข์ออกจากร่างกายนั่นแหละอผู้ข้าทำบุญข้าวหนีข้าวข้างนี้นั่นแหละเอาโหลดคุณเราห้ อ, หองสองห้องเป็นบุญเป็นกุศลให้หลวงพ่อวานะ อันปวดไอจิตทำบุ ด, ด น, นะอันนี้กำลังเหตุกันอยู่เนี่ยข่าให้มันท่านวันที่สิบสองสิงหาคณะกรรมการเขาววานะแต่หลวงพ่อก็บริไปบัญญตาโดนแ่้ล่ะแต่หลวงพ่อติดตามเลยติดตามเรื่องงานเป็นจังไงจไังไงยังไงเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยให้คันบอดไคบอดเสื้อเนี่ยเอาเบอร์โทร ของคุณอ๋อและไถ่เนี่กัที่นางต่อหนาลงพอเนี่ก็ได้มันแมนบอดลงคู่อ๋ออะไรนะถามถามมโ น, โน ก, ม ก, ออกันจัดบ้านคู่อก็จะไปให้คูม่นนะคมึกนะ่องไส้เพิ่งนะน่องไส้คู่มึกเป็นกรรมการผู้นึงได้เป็นวัยยาวัจกรขอ ง, ของวัดป่าบันตาดเป็นลูกหลานของหลวงทุกสิทธ์ลูกหาหลวงตานะเอาีถามเพิ่งแม่นบอดนะแมน เป็นท่นอิลีน่ะเออผู้ขาจองหองหนึงเด้อแสงว่างท่านก็โอนเงินไปหายนอดเออดีได้ได้บุญได้กุศลในลูกหลานไดเอาตอนนี้ไปรับพ่อในวันนี้เนะ